ตัวเองได้นั่นแหละทําให้พุทธศาสนาเจริญและทําต่ออนุ พ, พุทธศาสนาไว้พอได้ทําไหมจิงว่าทําให้พุทธศาสนาเจริญทําไหมจิงว่าทํามุนต่ออนุ พ, พุทธศาสนาไว้ก็ได้เพราะคนที่ไม่มีคุกสอนคนอื่นให้คนอื่นไม่มีคุกนี่พระพุทธเจ้าท่านสอน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 ตัวเองได้ทำความไม่มีทุกข์ให้ตัวเองหมดไปแล้วและไปสอนคนอื่นให้คนอื่นไม่มีทุกข์ความหมดทุกข์ของคนอื่นนั้นมีองสุขมันเป็นผลถอยได้ควมสุขความสุขไม่ใช่ควมสุขเอาเปรียบสังคมความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือเราได้ทำธุระหน้าที่แทนคนอื่นให้คนอื่นได้มีความสุข เป็นผลพอได้รับควมสุขจากคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นวันนี้จึงมาพูดกันเรื่องศาสนาและทำให้พุทธศาสนาเจริญทุกสิ่งทุกอย่างแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้น มีสอนเรื่องปัญญาให้คนมีปัญญาท่านไม่ได้สอนเลเสื้อฝังทันทีผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่ให้ถูกต้องติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกินเจ็ดปีอย่างกลางเ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอานิสงส์สองประการท่านว่าอย่าง นึงเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ลรือาด น, นี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหรันต์ก็ต้องเป็นพระนาคามีเป็นพระนาคามียในแน่นอนที่สุดท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรเอาไปคิดเอาไว้แต่ไม่เสื้อถือทันทีเพราะพระองค์ตัดไว้ในหนังสือกลธรรมะสูตรดีแล้วพระองค์ ทำมาเป็นเวลาหกปีศึกษาเลาเรียนมาทั้งเรียนกับภูและไม่ได้เรียนกับภูจึงได้ตัดสัตวลพระองค์ทีบอดไม่เกินเจ็ปีตัดเอาไว้เจ็ดปีแต่วิธีที่อาตมาหรือผมจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้แต่ไม่ต้องเป็นเทพรหรันไม่ต้องเป็นพระอนาคามีและไม่ต้องเป็นพระสกีภ า, าคา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 อานิสง์ไม่ต้องพูดถึงอะไรจกแก้ปัญหาตัวเองได้แก้การขัดแย้งต่อตัวเองได้แก้การขัดแย้งต่อสังคมได้อันนี้เข้าใจว่าทาให้พุทธศาสนาจเจริญและเป็นการทำบุญต่ออายุพพุทธศาสนาได้ทำไมจังหวาทำให้พุทธศาสนาจเจริญเพราะตัวเองไม่ทุกคนไม่ทุกคนเรียกว่าจเจริญ คนใดมีทุกยังเจริญไม่ได้และไปสอนให้คนอื่นไม่ทุกคนนั่นก็ต้องเจริญและกั around, <ม> plate, บคนไม่มีทุกขมากขึ้นมากขึ้นนี่ว่าพุทธศาสนาเจริญถ้ามีคนไม่มีทุกอย่างร้อยคนเขเรียกว่าทําบุญต่ออายุและพุทธศาสนาก็เจริญคําว่าทําบุญต่ออายุนี้ เราเข้าใจเอากันอย่างที่เราเกิดเมื่อนั้นวันนี้แล้วก็ทำบุญต่ออายุทำบุญวันเกิดอันนั้นถูกแต่จะไม่ส่งคำว่าทำบุญวันเกิดนี่พระองค์เกิดสัดสรั้นเป็นพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาตัวเองได้ไม่มีทุกเดี๋ยวทำบุญวันเกิดเกิดทุกวันเห็นทุกวัน อยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนไปไหนมาไหนก็ไม่ทุกข์เพราะจึงแก้ปัญหาตัวเองได้จริงเป็นการทำบุญบุญมันเป็นซื้อของคนไม่มีทุกข์ดังนั้นวิธีที่นำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆไม่ยากเพราะพระองค์ตรัสว่าให้มีสติกำหนดรู้ ในอิริยาบถตั้งสียืนให้มีสติเข้าไปรู้เดินให้มีสติเข้าไปรู้นั่งให้มีสติเข้าไปรู้นอนให้มีสติเข้าไปรู้เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังให้มีสติเข้าไปรู้ในอิริยาบถย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปรู้ท่านสอน เข้าไปรูปเพื่ออะไรเพื่อจะให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขความทุกข์ความสุขเกิดมาจากร่างกายและเกิดมาจากใจคําว่าร่างกายเปลว่าลูกบ้านหลวงเขาเรียกว่าร่างกายพูดตามธรรมะเดียกวกับลูกลูกนามลูกธรรมนามธรรมเนี่ยพระองค์ท่านสอนเอาไว้เพื่อให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวทําความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัว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 ให้มีความรู้สึกการเคลื่อนไหววิธีใดข้อตามแม้จะกรรมมือเหยียดมือพอตามให้รู้สึกมือสัมผัสกันอยู่ว่าให้รู้สึกขึ้นลดลงเรือไปไหนมาไหนให้ทำความรู้สึกอันนั้นเนี่ยวะทำความรู้สึกตัวทำให้เกิดปัญญาเพราะพระองค์สอนเอาไ ว, ว้ว่าทุกต้องกําหนดรู้ สมุทัยต้องละมักต้องจเจริญนีน่โนดทําให้แจ้งทัานสออย่างคันคว่าทุกต้องกําหนดรู้เพกคนเราทุกคนเกิดมาแล้วเป็นก้อนทุกเกิดมาแล้วจะนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้อย่าไม่พลิบไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ได้มันพิบตามันหายใจมันเคลื่อนมันไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลา เมื่อเรารู้สึกตัวมากๆเข้าความไม่รู้ท่านเรียกว่าอาวิชาควอมรู้ท่านเรียกว่าวิชาคำว่าอาวิชานี่รู้ผิดควมรู้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เรียกว่าอาวิชาความรู้ที่แก้ปัญหาตัวเองได้เรียกควมรู้ที่ถูกต้องว่าวิชาดังนั้นคนจึงไม่รู้จากทุก แต่รู้จักว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเสื้อไม่มีผ้าไม่มีบ้านไม่มีเรือนอันนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่เป็นทุกคนทุกแบบนั้นเพราะไม่เข้าใจไม่รู้จักเจ็บน้อยผสมให้มากและไม่รู้จักการไม่รู้จักงานก็ต้องทุกแต่ความทุกที่พระองค์สอนนั้นทุกเบียดทนไม่ไหว คือการเคลื่อนการไหวนี่เองตัวอิริยบถหนาเป็นทุกข์เพราะเรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นกลัวมไม่รู้ว่าหายไปเมื่อคลัควมไม่รู้หายไปก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามผ่วงเป็นจริงทุกต้องกําหนดรู้คือมากําหนดตัวลูกเราทําได้เราเคลื่อนเราไหวได้ตัวลูกสมุทัยต้องละ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 ลูกไม่ลูอจากวัตถุแต่มันเคลื่อนมันไวไปตามหน้าที่พัฒนาไม่ได้ตัวลูกนี่เพราะมันเกิดมาเป็นตัวเล็กๆนานแล้วก็ใหญ่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนานๆแล้วก็เป็นคนเข้าคนแก่พัฒนาไม่ได้อนนมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันแต่เรื่องจิตใจนั้นพัฒนาได้เนี่ยพระองค์ท่านทิพย์เอาไว้ท่านสอนเอาไว้ สมุทัยต้องละสมุทัยทําให้ตัวเกิดคือตัวคิดมันเป็นทุกข์และต้องละโดยวิธีไหนพระองคออ์มาทำความรู้สึกเมื่อรู้สึกกับรูปแล้วตัวคิดมันหยุดเองมันมันหยุดเองมันถ้าเราไม่ได้เข้าไปในองคือเราลูคิดเราเข้าไปในความคิดอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ของอภิชา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 คนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากทำเป็นจังหวะพลิกมือขึ้นขัวมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาเลียวซ้ายเลี้ยวขวาพิษตาอ้าปากคืนน้ำลายหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวอย่างนี้บ่อยๆเขาเรียวคนไม่หลงตน ไม่ลืมตัวเรียว่าคนมีสติพูดตามธรรมะตามหลักวิชาการถ้าพูดตามภาษาบ้านเราเละความรู้ตึกตัวมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้ก็ลดน้อยไปลดน้อยไปเป็นอย่างไมักต้องจเจริญทํำบ่อยๆนี่โน้ทําให้แจ้งไปเพราะจะรู้ความคิดของเรานีนเองมันคิดขึ้นมาก็าะจะรู้โอ้หลักษณะความคิดมันเป็นอย่างนี้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 ควมคิดจึงเร็วที่สุดไปเจริญกรรมาฐานกับอาจารย์พอดีไปทำวิธีที่การเคลื่อนการไหวพิกซ้ายเอียงข ว, วาก้มเงยเหลียวนุ่นเหลียวนี่จับนุ่นจับนีเข้าใจก็ เ, เลยรู้สึกว่าโอ้นี่ทุกขังอนิจจานันตตาทุกคือมันติดอยู่กับรูปนี้เองแก้ไม่ได้จะไม่ให้มันเหนงมันตีงไม่ให้มันเคลื่อนมันไหวไม่ได้ มันต้องเป็นไปตามหน้าที่ของแกจิตใจแกได้พัฒนาได้เลยเข้าใจอย่งางก็เลยเลิกได้เลิกสิ่งเสียติดมึนเมาทุกประเภทเลิกตั้งแต่วันนั้นจนถึงบันนี้เพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นกิเลสอย่าง ย, ยาบแก่กิเลสอย่างยาวเนี่ยมาจากที่ไหนแต่เราอาจจะไม่รู้บางคนบางคนอาจจะรู้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 จริงว่ารู้ของไม่จริงถ้ารู้ของไม่จริงมันก็นแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่จากศึกษาหาเงินหาทองหาความรู้อย่างใดใดก็ตามต้องศึกษาชีวิตเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากที่จริงแล้วศึกษาชีวิตก่อนเมื่อรู้จักชีวิตของตัวเองแล้ว